ถ้าเจริญตอนพวกเราเราบางคนก็ภาวนาฟังหลวงพ่อมาหลายปีสองสามปีสปีอะไรก็หลายคนบางคนก็เพิ่งมาใหม่ๆแต่ว่าบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อก็มีนะเวลาออกไปต่างจังหวัดเห็นเขามาหาเพจฟังซีดีแต่ว่าพอฟังซีดีอดทนฟังแร ก, แรกฟังยาก แตเขาฟังแล้วฟังอีกเสร็จแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้ไปแยกธาตุแยกขันธ์ได้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จเจริญปัญญาได้ถ้าทําไปอย่างนี้สม่ําเสมอนะโดยมีศีลห้ายืนพื้นไว้ก่อนมรรคผลนิพพานเนี่ยก็เป็นอันหวังได้อยู่เพราะมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ใช่ของที่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้ แต่ต้องเป็นมนุษย์ที่จริงจังนะตั้งอกตั้งใจจริงๆศึกษาให้รู้เรื่องรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำให้หนักไวจะทาเล่นๆก็ได้นิดๆหน่อยๆพออยู่กับโลกถ้าอยากข้ามโลกก็ต้องจริงจังหน่อยเรียนรู้โลกให้แจม่มแจ้งแต่ถ้าจะพออยู่กับโลกฟังซีดีหลวงพ่อไปหัดดูกายดูใจไปเรื่อยรักษาศีลห้าไว ทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือมีสติเท่าที่จะมีได้มีบ้างเผลอบ้างก็อยู่กับโลกได้อยู่อย่างมีความสุขมีความสุขมากกว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่เคยฝึกจิตฝึกใจของตนเองแต่ถ้าเราต้องการจะข้ามภพค้ามชาติให้ได้ในเวลาไม่นานต้องจริงจังหน่อยทำเล่นๆหยอๆย่ๆดูบ้างไม่ดูบ้าง แต่อยากได้ทิพยานไวๆมีสิทธิ์อยากไหมมีสิทธิ์อยากแต่ไม่มีสิทธิ์ได้นะในความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยคนสมัยพุทธกาลไอคิวเขาไม่ได้เยอะกว่าพวกเราหรอกสมองมันก็อยู่ระดับเดียวกันความสามารถมันก็พอๆกันคนสมัยกรีกสมัยโรมันที่ว่าเก่งๆเพราะว่า เ, เก่งเยอะ ก็ไม่ได้เก่งแบบเปนระดับพวกเราพอๆกันสมองของมนุษย์มันพัฒนาไปเต็มที่แล้วแต่ทำไมคนสมัยพุทธกาลเขาฟังธรรมแล้วเขาบรรลุกันรเร็วมันเป็นบางคนนะบางคนมันก็ไม่บรรลุบางคนตกนรกอเวีจีก็มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้แต่ตั้งในสมัยพุทธกาลก็บางคนท่านคนที่ ฝึกฝนอบรมตวเองแต่เขาได้เปรียบเราอย่างหนึ่งคนสมัยโน้นเนี่ยเขาไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีแต่ธรรมะที่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาบังคับกายบังคับใจอะไรไปเรื่อยๆหรือทำความสงบไปฝึกจิตให้นิ่งอะไรนั่นมีมาก่อนเขาเขาเคยแต่อย่างนั้น พพระพุทธเจ้าท่านมาสอนถึงขั้นการเจริญปัญญาเนี่เป็นของแปลกใหม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังใจซึ่งมันไม่เคยสัมผัสธรรมะในขั้นเดินปัญญาขั้นศีลขั้นสมาธิเขามีอยู่แล้วเขาทำสมาธิกันเก่งด้วยซ้ำไปศีลเขาก็มีแต่ขั้นเดินปัญญาเขาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังพอพระพุทธเจ้าสอนพรานี่มันสดมันใหม่ ใจมันก็เปิดรับง่ายจะต่างกับพวกเราพวกเราฟังธรรมะมาเยอะบางคนก็ปฏิบัติมาเยอะแนวโน้นบ้างแนวนี้บ้างมันสะสมความคิดความเห็นเอาไว้เยอะว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีมีอย่างนี้มากคิดมากคิดมากเลยรู้น้อยรู้มากรู้มากมากมันใช่รู้มาก รู้มากมากคิดน้อยน้อยอ ย, อย่างทัานพระสัจจิสอนอุปติสสะสอนพระสารีบุตรสอนอยู่สี่ประโยคพระสารีบุตรก็เป็นพระโสดาบันท่านสอนบอกว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่สามประโยคแล้ว พระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้สประโยคทําไมอุปติสสะฟังสประโยคนี้ปิ้งเลยเป็นของไม่เคยได้ยินเป็นของไม่เคยได้ฟังแต่ฟังแล้วแหมมันสมเหตุสมผลธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุอะไรที่เป็นธรรมที่เกิดจากเหตุรูปธรรมกระกนามมาทำหรือขันห้าเรานี้เองคือธรรมที่เกิดจากเหตุ ธรรมะมีสองอย่างนีธรรมะที่เกิดกับธรรมะที่พ้นจากความเกิดความดับธรรมะที่พ้นจากความเกิดความดับคือพระนิพพานธรรมะที่มีเหตุให้เกิดก็คือรูปกะนะม a กายกระใจธาตุขันธนัยตนะแลแต่จะเรียกแล้วแต่จะแยกว่าจะแยกในมุมไหนที่จริงย่อลงมาก็คือรูปธรรมกนามธรรมนั่นเองนั้นสิ่งที่บอกว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ พระตถ า, าคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นธรรมที่เกิดจากเหตุทีร่รูปนามรูปนามคือตัวทุกเน้นประโยคแรกเนี่ยพระาจาชีสอนเรื่องทุกว่าทุกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากเหตุนะแล้วพระตถ า, าคตเจ้าสอนถึงเหตุของมันแล้วสอนความดับไปของมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่เพราะมีเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับ อันนี้ท่านสอนพระสารีบุตรให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของขันห้าเลยคําว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาหมายถึงว่ามันมีอยู่ถ้ามันมีเหตุถ้ามันไม่มีเหตุมันไม่มีงั้นเราอย่าไปมักง่ายแปลาคาว่าอนัตตาว่าไม่มีอะไรคําว่าไม่มีอะไรมันไปตรงกับคำว่านัตติกะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลย ไม่ใช่อนัตตาคําว่านัตตาหมายถึงมันไม่อยู่ในอํานาจบังคับไม่มีเจ้าของไม่เป็นไปตามปรารถนารูปธรรมนามธรรมนี้ไม่เป็นไปตามปรารถนาอย่างเราอยากให้ร่างกายนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปอยากให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไปไม่เป็นไปอย่างปรารถนาอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เป็นไปอย่างปรารถนาไม่เรียกว่าอนัตตา สภาวะธรรมทั้งหลายที่มีเหตุให้เกิดนะมันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้แต่ว่ามันเป็นไปตามเหตุเมื่อมันมีเหตุมันมีอยู่เมื่อเหตุ ด, ดับไปมันก็ดับไปในการที่พระอาชาชีสอนนะบอกว่าทมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระอชชให้พระสารีบุตรนะท่านปิ้งขึ้นมาเลย ท่านพิ้งถึงคําว่าอนัตตานั้นเองสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุดับมันก็ดับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวบอลเนี่ยเห็นไหมธรรมะของท่านนะท่านฟังกันนิดเดียวท่านก็เข้าใจแล้วของที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังส่วนเราได้ยินได้ฟังเยอะนะแต่ว่าได้ยินได้ฟังมาเพียเพ้ยนๆ เ, เยอะอย่างอนัตตาแปลว่าว่างเปล่านะบางทีก็ไปปนกับสุญญาตาอะไรอนงะี้ คนก็ไปมั่วซั่วไปหมดเลยพูดถึงธรรมะเลอะเธอไปหมดเลยงั้นธรรมะเนี่ยถ้าเราเรียนจะให้ใจเปิดรับได้นะต้องมีความสดใหม่สดใหม่อย่างเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยเป็นธรรมะที่สดใหม่ความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วท้งนั้นแหละแต่ว่ามันใจของเรามันพอเหมาะพอควรที่จะฟังนั้น จิตของครูบาอาจารย์ท่านก็ถ่ายทอดธรรมะออกมาสดๆร้อนๆอ อ, ออกมาให้เราพอฟังแล้วมันปิ๊งเลยเข้าใจเลยอย่างเราก็ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับคําสอนของหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธฟังตรงนี้แนละ้วมันสดเถือนเข้าถึงใจพราธรรมะอย่างนี้ไม่เคยฟัง เคยได้ยินแต่ว่าให้พุโทโธพิจารณากายนั้นหรือให้ดูท้องพองยุบยกเท้าย่างเท้าอะไระได้ยินจนมันใจมันจืดไปละพอได้ยินธรรมะของหลวงปู่ดูว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธฟังแล้วมันสะเทือนเข้าถึงใจแล้วมันปิ๊งขึ้นมานะว่าถ้าใจไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์ถ้าใจไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกขนะ์ นั้นต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องใจใจของตนเองก็เลยไปหาหลวงปู่ให้ท่านสอนว่าจะปฏิบัติอย่างไงท่านก็สอนแค่ว่าให้ไปดูใจตัวเองให้ไปเห็นมันท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเห็นไหมถ้อยคําของท่านนะทันสมัยมากเลยเพราะท่านรู้ว่าเราเป็นนักอ่านหนังสือท่านจะสอนให้เราอ่านจิตน เนี่ยครูอาจารย์ที่ท่านเก่งนะั้นธรรมะของท่านนั้นสดสดใหม่ๆจริงๆเลยแล้วสอดคล้องกับใจของเราในขณะนั้นเลยในความเป็นจริงแล้วใจธรรมนะนั้นไม่ใช่ของยากหรอกแต่ใจเรามันไม่เปิดรับถ้าใจเราเปิดกว้างออกมานะีมันรับได้ธรรมะไม่ใช่ของยากมันจะยากอะไรให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะ จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแค่แค่นี้เองมันจะยากอะไรในการที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้โนบุดุลจึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้ที่ละเลยไม่ยอมรู้กายรู้ใจของตนเองถ้าเราไม่ละเลยนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจของตนเองไปเรื่อยมันจะยากอะไรหายใจออกรู้สึกไหม หายใจเข้ารู้สึกไหมนั่งอยู่รู้สึกไหมคนส่วนใหญ่มันนั่งอยู่มันก็ใจลอยไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตลืมปัจจุบันที่ร่างกายกําลังนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่นะแค่รู้สึกถึงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่จะยากอะไรแค่รู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้ามันจะยากอะไรมันก็รู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้แค่นั้นเอง ปัญหามันมีนิดเดียวคือมันละเลยทาไมละเลยเพราะมันมัวแต่สนใจสิ่งภายนอกสนใจรูปภายนอกสนใจเสียงสนใจในกลิ่นสนใจในรสสนใจในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจในเรื่องราวที่คิดนึกเนี่คือสนใจในอายตนะภายนอกนจิตออกนอกหมดเลยคือจิตไหลไปนในอายตนะภายนอกทั้งหมดเลยแระทั้งเรื่องราวที่คิดนะเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดหลวงปูดุลก็ถือว่าจิตออกนอก ออกนอกก็ถูกของท่านนะมันไปสู่อายตนะไข่นอกออกไปหมดมันไม่ย้อนมาดูตัวเองขณะที่ตามองเห็นรูปนะร่างกายเราอยู่ในอุญะาต์ไหนเรารู้ได้ไ้ยเรารู้ได้แต่เราไม่สนใจจิตใจของเราสุขจิตใจของเราทุกเรารู้ได้ไ้ยรู้ก็รู้ได้แต่ไม่สนใจจิตใจจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลรู้ได้ไ้ยก็รู้ได้นะแต่ไม่สนใจ ปัญหามันมีนิดเดียวคือเราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตนเองนะเรามัวแต่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดที่นึกที่ปรุงที่แต่งนะซึ่งเรียกว่าอายตนะภายนอกทั้งหลายนั่นเองเมื่อมันดึงไปสู่อายตนะภายนอกจิตไปสนใจสิ่งภายนอกแล้วจิตจะย้อนมาดูตัวเองไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียว เมื่อมันรู้รูปแล้วมันจะมารู้ทันร่างกายที่รู้รูปก็ไม่ได้จะมารู้ทันจิตที่ไปรู้รูปก็ไม่ได้เมื่อมันไปฟังเสียงแล้วเนี่ยมันจะมารู้ทันหูของตัวเองประสาทหูอะไรอย่างนี้มันรู้ไม่ได้จะมารู้ทันจิตใจนันที่ว่าได้ยินเสียงแล้วสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างมันรู้ไม่ได้ที่มันรู้ไม่ได้เพราะมันถูกดึงให้ไปสนใจในรูปภายนอกในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส อย่างเวลายุงมากัดเรารู้สึกมัย้ยุงมากัดพวกเราคนไหนยังตบยุงอยู่บ้างมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหมไม่ต้องอายนะการที่กล้าบอกว่าเรายังมีข้อบกพร่องอะไรอยู่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องนะท่านว่าเป็นความเจริญในอริยธรรมในธรรมวินัยของท่านเนี่ยนะเป็นความเจริญคือเรามีข้อบกพร่องมีความดั่งพลอยอะไรเนี่ย กล้าเปิดเผยออกมาแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่านยกย่องนี่เป็นความเจริญในอริยวิไนน์นี้อย่างเวลายุงกัดใช่เราสนใจอะไรสนใจที่คันไหมคันไม่ค่อยสนใจหรอกแต่สนใจที่ยุงใช่สนใจไมมว่าจิตโกรธยุงจิตเกลียดยุงไม่สนใจสนใจแต่ยุงเนี่ยเราสนใจสิ่งภายนอกยุงน่าสนใจกว่าจิตของเราเองแปลกไหม ยุงหนึ่งตัวนี่น่าสนใจกว่าจิตของเราเองสิเราลาทิ้งของที่สําคัญที่สุดไปนะละทิ้งจิตใจของตนเองไปละทิ้งตนละทิ้งตัวเองพระเจ้าให้สแสวงหาตนมาเรียนรู้ตัวเองนี่ปัญหาใหญ่ก็แค่ว่าจิตมันออกนอกมันหลงไปที่รูปมันหลงไปที่เสียงได้ยินคนเขาคุยกันหรือบางทีคนเขากระซิบยิ่งคนเขากระซิบกันเนี่ยยิ่งอยากฟังรู้สึกไหม ยิ่งอยากฟังเขาพยายามใช้ทิพย์ผสมไม่ได้พยายามฟังบางคนบ้านเป็นคอนโดอยากรู้ว่าข้างบ้านมันดินท า, ารู้เปล่านะอุตสาห์ไปหาหูฟังเสียฝาฟังสนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตนเองถ้าสนใจก็รู้ได้ไม่ใช่ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะรู้สึกที่กายรู้สึกที่ใจ เพียแต่มันออกนอกงั้นต่อไปนี้นะเราย้อนกลับเข้ามามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของเราบ่อยๆการจะมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจไม่ใช่ห้ามไปรู้สิ่งภายนอกเรามีตาอย่างไงเราก็ต้องเห็นรูปเรามีหูอย่างไงก็ต้องได้ยินเสียงเรามีจมูกอย่างไงก็ต้องรู้กลิ่นเรามีลิ้นอย่างไงก็ต้องรู้รสใช่เรามีร่างกายก็ต้องรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเรามีใจก็ต้องคิดนึกปรุงแต่ง ห้ามไม่ได้ไม่ห้ามนะเพียงแต่ว่าเมื่อจิตนะีไปกระทบอารมณ์ภายนอกแล้วเช่นตามองเห็นรูปนะตากระทบอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยยังไม่รู้เรื่องก็มีจิตเกิดที่ตาด้วยจิตไปรับรู้อารมณ์นะพอจิตตากรับรูปกระทบกันนะมีจิตมีวิญญาณไปรับรู้ตา่างๆาก็เรียกว่ามีผัสสะมีการกระทบขึ้นมาให้มันกระทบไปไม่ต้องหลีกเลี่ยงเมื่อตามองเห็นรูปนะ ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตใจของเรารู้ทันก็แค่นั้นเองเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตใจของเราให้รู้ทันก็แค่นั้นแหละเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่ใจก็ให้เรารู้ทันเมื่อใจของเราคิดนึกปรุงแต่งนะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตใจก็ให้รู้ทันความรู้สึกอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในใจ ก็ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกที่เป็นกุศลความรู้สึกโลภโกรธหลงนะสิ่งเหล่านี้จะหมุนเวียนเข้ามาในใจของเราตลอดเวลาให้เราคอยรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในในใจของเรานี่แหละนะแต่ถ้าคนไหนถนัดดูกายนะก็ ค, คอยดูกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไปใจเป็นคนดูไปด้วยจะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้าคนไหนจะชอบดูจิตส่วนใหญ่พวกเราคนเมืองนะอาชีพหลักของเราคืออาชีพคิดงานของเราที่ทำทุกวันนี้งานที่ใช้ความคิดแทบตั้งนั้นจริตนิสัยที่ช่างคิดเนี่ยกรรมาฐานที่เหมาะนะั่นคือจิตตาโนปัสสนานะถ้าเราคอยดูทันใจของเราไปตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกต่าง เกิดความสุขขึ้นที่ใจก็รู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจก็รู้ทันเกิดกุศลขึ้นที่จิตใจก็รู้ทันนะเกิดอกุศลเช่นโรคปรดลงต่างๆขึ้นที Rum ่ใจก็รู้ทันร <s baht two together> ู้ทันไม่ใช่เพื่อว่าจะปฏิเสธความทุกข์เพื่อจะเอาความสุขไม่ใช่นะรู้ทันไม่ใช่เพื่อปฏิเสธอกุศลจะเอากุศลนะไม่ใช่การเจริญปัญญานั้นเราต้องการมุ่งเรียนให้เห็นความจริง ความจริงก็คือไตรลักษณ์สุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงดีมันก็ไม่เท Eyes, <ร>ี่ยงโลภโกรดหลงมันก็ไม่เที่ยงเราต้องการให้เห็นสิ่งเหล่านี้หรือเราต้องการให้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์จิตใจนี้มันเป็นทุกข์หรือต้องการให้เห็นร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะนี่เห็นอนัตตาของกาย ต้องการให้เห็นว่าจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกขก็ไม่ได้มันทำงานของมันได้เองการที่เห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจนี่ก็เป็นการมองอนัตตาอีกมุมหนึ่งนะอนัตตานั้นมองได้ทั้งหมด5มุมนะมุมนะมมนะนั้นมองได้หลายแบบเพาว่านัตตาเนี่ยนที่กว้างนะอันนี้จังนี่แค่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วก็หายไปทุกครั้งเนี่ย สิ่งซึ่งมีอยู่ยังไม่ทันจะหายเนี่ยก็ทนอยู่ไม่ได้จริงนะละเอียดขึ้นมาหน่อยอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนี้ก็เป็นแบบหนึง่งอีกอันหนึ่งเป็นความน่าจะเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ไม่ควรเห็นว่าเป็นเราอย่างเงี้ยเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับก็ได้เป็นอีกมุมหนึ่งนะอนัตตานี่มีหลายแง่หลายมุม เวลาเห็นนะเห็นบางมุมก็พอไม่ใช่ต้องเห็นทุกด้านนะอย่างเราเห็นร่างกายเนี่ยเราไปดูว่าร่างกายบังคับไม่ได้ดูยากนะดูยากก็เราสั่งให้มันยกมือมันก็ยกได้แล้วดูอีกมุมหนึ่งดูมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปสิผมเป็นคนไหมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นคนไหมเป็นสัตว์ไม่เป็นเราเป็นเขาไหมดูไปอย่างนี้ก็ได้นะ แล้ดูจิตดูใจไม่ได้ดูว่าเป็นก้อนธาตุดูจิตดูใจก็ต้องดูเป็นมุมอย่างอื่นเช่นมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเงี้ยดูอย่างนี้การที่เราคอยเห็นกายเห็นใจนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเนืองเนืองเนี่ยใจมันจะเบื่อหน่ายมันจะเห็นความไร้สาระหาคุณค่าหาประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้ก็ของไม่เที่ยง่ะมันจะมีคุณค่าอะไรอย่างมีผู้หญิงสักคนเรพวกเราหลายคนเป็นผู้หญิง เดี๋ยวนี้ดูยากนะผู้หญิงผู้ชายดูยากมากๆเลยอย่างผู้หญิงสักคนนะจะแต่งงานใช่ไมก็หวังว่าชีวิตสมรสจะเที่ยงใช่ไถ้าบอกว่าไม่เที่ยงเอาไหมก็ไม่เอาก<ๆ>็หวังในความเป็นจริงไม่มีของเที่ยงไม่มีของเที่ยงถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราจะเอื่มระอาหรือในความจริงมีแต่ทุกข์ถ้าเรารู้ความจริงเราจะเอื่อมระอา ในความจริงมีแต่อเนกตามังคับไม่ได้นะมันก็จะเอื่มระอาะใจมันเอื่มระอาในรูปในนามในกายในใจนะใจจะคลายความยึดถือออกจะคลายออกเมื่อวันศื่นมีผู้หญิงคนหนึ่งไปส่งกันบ้านที่วัดหลวงพ่อที่สวนสันทิธรรมภาวนานะส่งกันบ้านฟังแล้วน่าสะพึงกลัวมากเลยกระทั่งพระยังฟังแล้วหวั่นไหวเยเขาบอกว่า เขาพอนานี่แหละก็รู้สึกตัวนะเขาเห็นจิตมันทำงานได้ทั้งวันแหละเดี๋ยวนี้มันทำได้เองดูไปดูไปลนะ้วก็ก็รู้ขึ้นมาเลยมันซึ้งอยู่ก่ใจไม่ใช่คิดเอานะว่าอาดีตเนี่ยไม่มีจริงหรอกอดีตเป็นแค่ความจำเป็นแค่สัญญาอนาคตไม่มีจริงหรอกเป็นแค่ความคิดนะเป็นแค่สังขารมันปลูกปัจจุบันไม่มีจริงหรอกเป็นภาพดวงตาฟังแล้วดีไหม ปัจจุบันถามว่ามีมนะมีแต่มีแบบเป็นภาพลวงตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับที่แท้จริงนะมีอยู่แต่ว่าสัมผัสแต่ต้องไม่ได้จริงไม่อยู่ในอำนาจเลยพวกเราใครทําได้บ้างเห็นด้วยใจจริงๆนะอดีตนะเป็นแค่ความจำอนาคตเป็นแค่ความคิดปัจจุบันเป็นภาพลวงตานะนะบางคนยังภาวนาไม่ตื่นบางคนก็เลยแล้วนะบอกว่าพอเห็นตรงนี้นะ ใจมันกลัวขึ้นมาตัวเราไม่มีบอตอนที่เห็นตรงนี้ครั้งแรกนะใจสว่างโปร่งขึ้นมาแล้วนะแต่เสร็จแล้วมันพลิกกลับไปกลัวโอ้ตัวเราหายไปแล้วตัวเราไม่มีพอ ก, กลัวทนานจิตถอนเลยน่าเสียดายถ้ากระบวนการนี้มันดําเนินต่อไปแนละ้วมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แต่กระบวนการนี้ไม่สิ้นสุดลงนะเพราะว่ากําลังของเขายัางไม่พอ ใจยังรักยังหวงแหนในความมีตัวมีตนอย่างเหนียวแน่นงั้นพอเห็นแล้วว่าตัวตนไม่มีนะใจถอนเลยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วถ้าไม่มีตัวมีตนแล้วจะเอาใครไปหาความสุขได้ไหมใครจะเสพสุขได้พอไม่มีตัวเราซะอย่างเดียวอะไรๆก็หมดความหมายเกิดห่วงขึ้นมาทนะําไมห่วงขึ้นมาได้เพราะว่าปัญญายัางไม่พ อ, อยังเห็นทุกข์ไม่พอต้องดูกายดูใจต่อไปอีกนะ ดูกายก็เห็นเลยกลายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้มีแต่ทุกข์กายนี้บังคับไม่ได้ดูซ้ำดูซากไปจิตก็เป็นของไม่เที่ยงจิตก็เป็นทุกข์จิตก็บังคับไม่ได้ดูซ้ำไปนะดูไปดูไปในเบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นทีแรกว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนที่แท้จริงเนี่ยใจยอมรับไม่ได้ทุกคนนะจะต้องมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ใจมันสตุกสถานขึ้นมา งั้นก่อนที่เทวดาเจ้าจะบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายครับเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพาะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วปัจจะมาเข้ากระบวนการอย่างนี้ได้พอเริ่มเห็นความจริงเท่านั้นนะจิตมันรู้สึกน่ากลัวรู้สึกน่ากลัวรู้สึกน่าเบื่อหน่ายรู้สึกใจหายใจคว่ำเมื่อตัวตนมันหายไปเป็นทุกคนนะในขั้นของการเจริญปัญญาพราปัญญาเบื้องต้นๆเนี่ยจะเป็น ต่อมาได้พาวนาเพิ่มไปอีกนะก็จะค่อยคลายตัวนี้ออกใจะจะค่อยเป็นกลางขึ้นค่อยพาวนาไปเรื่อยก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางทีแรกก็กลางด้วยสติก่อนกลางด้วยสตินะเช่นพอมันเกิดความสตอกสตานขึ้นมาว่าตัวเราหายไปสติระลึกรู้ทันว่าจิตมันสตอกสถานความสตอกสตานจะดับอัตโนมัติใจก็เป็นกลางทีงนี้กลางชั่วคราวนะกลางด้วยสติ แนี้ยังไม่เปิดอริยมรรคอริยผลหรอกถ้าต้องภาวนาไปเรื่อยนะเจอกระทั่งวันหนึง่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความเฉยเฉยก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็เป็นของชั่วคราวโลภโกรดหลงก็เป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่ชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวนะ จิตใจที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของชั่วคราวมันรู้ทางตามันก็รู้เดี๋ยวเดียวมันรู้ทางหูมันก็รู้เดี๋ยวเดีย ว, ร, ร, ย ว, ยวรู้ทางใจก็นานหน่อยไปหลงคิดนั่นยาวได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นมันไม่มีสาระแก่นสารนะความใจมันเห็นความจริงนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งร่างกายทั้งจิตใจเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นของที่บังคับไม่ได้ ใจมันเป็นกลางขึ้นมางั้นเราต้องพาวนาจนใจของเราเป็นกลางด้วยปัญญานะพวกเราอย่างหัดดูจิตดูใจนะถ้าดูอะไรละเอียดมากมายไม่ได้ดูนิดหน่อยก็พอนิดหน่อยไม่ใช่หมายถึงนานๆดูทีนะหมายถึงดูสภาวะอยู่สามอย่างก็พอลนะอจิตใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้ทันจิตใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันจิตใจของเราเฉยๆก็รู้ทันให้รู้ไปอย่างนี้แหละ มันมีความสุขมันมีความทุกข์มันมีความเฉยเฉยได้เมื่อไรเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตามองเห็นรูปบางอย่างก็มีความสุขตามองเห็นรูปบางอย่างก็มีความทุกข์ตามองเห็นรูปจำนวนมากก็เฉยเฉยอย่างเรานั่งรถไปเระมองริมถนนนะส่วนใหญ่เฉยเฉยใช่หมเป็นภาพที่จาเจภาพของคนที่ไม่รู้จักอะไรยเงี้ย พอไปเจอคนรู้จักเขาสักคนนะคนที่เราชอบเนี่ยก็ดีใจพอใจขึ้นมามีความสุขขึ้นมาหรือนั่งไปไปเจอภาพดอกไม้สวยงามมีความสุขขึ้นมานั่งไปไปเจอหมาถูกรถทับเนี่ยมีความทุกข์ขึ้นมานีหมาไม่ได้ถูกรถทับเต็มบ้านเต็มเมืองนานๆมีทีงั้นส่วนใหญ่ใจของเราก็เฉยๆอารมณ์ไม่รุนแรงใจก็เฉยๆถ้าอารมณ์มันแรงก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมา งั้นเวลามีความสุขเกิดขึ้นตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเกิดความสุขขึ้นมาเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นนะว่าความสุขเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็หายตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ทันอีกเราก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเหมือนกัน การที่เราคอยรู้ความเป็นจริงในจิตใจของเรานะว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยเฉยก็ชั่วคราวเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าบางคนแค่วันแล้ววันเล่านะก็เข้าใจธรรมะละจิตยอมบางคนก็ต้องดูกันเป็นเดือนเดือนหลายๆเดือนนะเจ็ดเดือนแปดเดือนจิตก็ยอมนะบางคนก็ดูไปหลายๆปีจิตถึงจะยอมแต่ละคนมีความดื้อไม่เท่ากันแต่ความดื้อนี่ไม่ใช่ฟ้าประทานนะ พวกเราได้สร้างขึ้นมาเองงั้นอย่าบ่นว่าทําไมของเราบรรู้ยากจังคนอื่นทําไมบรรู้ง่ายก็จิตเรามันดือดด้อจิตดื้อเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ให้มาเราสะสมของเรามาเองงั้นแต่ละคนบรรดื้อไม่เท่ากันหรอกคนที่ดื้อน้อยนะเขาเห็นความจริงนิดหน่อยเขาก็เอือมระอาเขาก็ปล่อยวางคนที่ดื้อมากก็ต้องดูกันนานหน่อยกว่าใจจะยอมใจมันยอมมันเป็นยังไงมันเห็นว่าความสุข ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวมันยอมรับความจริงตรงนี้เมื่อมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยความดิ้นรนของจิตที่จะหาความสุขความดิ้นรนของจิตที่จะหนีความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากที่จะได้มาซึ่งความสุขความอยากได้มาซึ่งความทุกขไม่เกิดงั้นการที่เรามีสติรู้เท่าทันเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นที่ใจจะตัดวงจรของตัณหาออกไป เพราะเวทนานี่เองถ้าเรารู้ไม่เท่าทนนันจะเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาเคยได้ยินไหมเวทนาปัจจยาปัญหาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาแต่ว่าถ้าเรารู้ทันนะว่าสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราวเฉยมันก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ได้อยากได้นะจะอยากทําไมของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันหรอกเกลียดทําไมเสียเวลามันของชั่วคราวอะไรอะไรชั <blaming> ่วคราวนะใจจะหมดแรงดิ้น งั้นเมื่อใจหมดแรงดิ้นใจจะเป็นกลางใจจะหมดไม่ไม่ดิ้นรนนะใจจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะแล้วก็เลิกดิ้นไปเลยใจเป็นกลางต่อความสุขก็ไม่ดิ้นรนเพราะความสุขใจเป็นกลางต่อความทุกข์ใจก็ไม่ดิ้นรนเพราะความทุกข์ใจเป็นกลางต่อความเฉยเฉยใจก็ไม่ดิ้นรนต่อความเฉยเฉยเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจเป็นกลางไม่ดิ้นรนใจไม่มีตัณหานะใจก็ไม่มีการสร้างภบสร้างชาติขึ้นมา ก็ไ ม, ม่ไปปลุงความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจนะจบลงที่เวทนาลองฝึกดูนะไม่ยากเกินไปหรอกเห็นไหมกรรมฐานนะไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกรนะักษาศีลห้าไวนะ้แล้วคอยรู้สึกตัวบ่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขรู้ทันมีความทุกข์รู้ทันมีความเฉยเฉยรู้ทันไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาความสุขไม่ใช่รู้เพื่อจะหนีความทุกขนะ์ไม่ใช่รู้เพื่อจะให้จิตเฉยนิรันดร บางคนชอบฝึกจิตให้เฉยนะเหมือนจ่าเฉยเนะี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะงั้นเรามาฝึกเราไม่ได้ฝึกให้จิตเฉยหรอกนะเราคอยรู้เอานะให้เห็นเลสุขมันก็มาแล้วก็ไปทุกมาแล้วไปเฉยเฉยมาแล้วไปนะสุดท้ายมัก็รู้ทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างมาแล้วก็ไปนะความอยากไม่เกิดขึ้นใจเป็นกลางกับทุกๆสภาวะพอใจเป็นกลางแล้วใจไม่ปรุงต่อนี ใจก็ก้าวมาสู่ประตูของการบรรลุมรรคผลตัวนี้ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะพูดบ่อยๆเลยว่าก่อนที่จะบรรลุมรรคผลได้นะใจต้องเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งใจจะเป็นกลางต่อสังขารทั้งปวงด้วยปัญญาได้ต้องพามันดูของจริงดูความปรุงแต่งดูสังขารทั้งปวงสังขารที่เลือกมาดูตอนนี้ก็คือความสุขความทุกข์ความเฉยๆแค่นี้ก็ได้ บางคนรู้เยอะกว่านั้นรู้กุศลรู้อาเกศลเข้าไปด้วยอย่างนั้นก็ได้เพราะทุกอย่างสอนไตรลักษ์เท่าๆกันนะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวไม่ยากไม่ยากที่พวกเราจะรู้ได้นะแต่ว่าเราละเลยที่จะรู้มันลงแค่นี้เองเวลามีความสุขในใจรู้จักไหมใครไม่รู้จักความสุขใครไม่รู้จักความทุกข์มีไหมไม่มีรู้จักทุกคนะ่ะ เพรันต่อไปนี้ไม่ละเลยนะไม่หลงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็คือหลงไปคิดคอยรู้สึกเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วลคอยรู้ทันความสุขเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันความทุกข์เกิดที่ใจรู้ทันความเฉยๆเกิดที่ใจรู้ทันรู้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าดูไปจนวันหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยนะทุกอย่างชั่วคราว ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรกรนะทั่งจิตใจนี่ก็เป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนถาวรนะให้ภาวนาไปอย่างนี้นะเป็นวันนึงมันแจ้งเลยแล้วตัวตนถาวรไม่มีหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นการที่เราเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดดับทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายมีเหตุที่าเกิดหมดเหตุที่าดับดับหมดเลยไม่มีเหลือเลยพรงนี้จะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบัน พรโสดาบันท่านจะแจมแจ้งในสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับนะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้ น, ตนถาวร น, นี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันแจ้งในสิ่งที่เกิดดับต่อภาวนามากเข้ามากเข้านะภูมิธรรมแก่รอบขึ้นเต็มที่นะปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือจิตได้นะม่จะไปเห็นสภาวะธรรมที่พ้นจากรูปจากนามคือเห็นพระนิพพานจะแจ้งพระนิพพาน พระโสดาบันเนี่ยเห็นนิพพานเหมือนกันแต่เห็นแวบเดียวนะเห็นอยู่สองสาขนาดจิตเท่านั้นไม่กี่ขนาดหรอกนะเกิดอริยะมาก1ขนาดจิตนะอริยผล2หรือสามขนาะดเพราะงั้นเวลาเป็นพระโสดาบันเนี่ยได้เห็นนิพพานนะมากที่สุดก็4ขนาดจิตเท่านั้นเองเวลาบรรลุสักกะทาคาก็เห็นแค่นั้นแหละนะเห็นแว บ, บเดียวนั่นแหละบรรลุอนาคาก็เห็นในแว บ, บเดียวนั่นแหละตองครั้งที่สี่นะ ครั้งที่สจะเห็นแจ้งครั้งที่หนึ่งสสาเนี่ยพอเห็นแว บ, บเดียวเนี่ยอาสะวะมันขาดออกไม่มีไม่มีอะไรปกคลุมหอ่อพุ่มจิตจิตรวมเข้ากับธรรมชาติเดิมความว่างเดิมเป็นอันเดียวกันขึ้นมาแลนะสัมผัสความสุขที่ไม่มีขอบมีเขตเลยเป็นะความสุขที่มหาศาลแต่อยู่ได้แว บ, บเดียวนะอาสว่ากิเลสก็เข้ามาปิดไม่หมดไม่เห็นอีกแล้วนะต้องตัดสี่หนนะถึงจะขาด จากนั้นเวลาที่เรามานักสิการเราแค่นึกถึงนิพพานอยู่ต่อหน้านิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่ต้องเข้านิพพานไม่มีออกไม่มีเข้าไม่มีออกนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะใจที่สัมผัส ต, ตัวนี้มีแต่ความสุขนะความสุขเป็นสุขที่ไม่มีอะไรเสียดแทงเป็นสันติสุขเนึกว่าสันติสุขมนุษย์ในโลกเนี่ยเที่ยวหาสันตินะหาสันติหาสันติภาพหาความสุขถาวร ที่จริงอยากได้สันติสุขแต่หาไม่มีหาอย่างไงก็ไม่มีในโลกนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งแก่งแย่งนะชิงดีชิงเด่นทำร้ายซึ่งกันและกันต่อบันไดเราละตันหาไดนะ้เราเห็นความจริงเราหมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจนะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกได้เราจะแจ้งพนิพพานมันะจะคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าที่สุดด้วยในชีวิตเราได้สามารถเห็นสิ่งนี้ แต่ถ้ายังไม่เห็นก็อย่าท้อใจเอาล้างความเห็นผิดให้ได้นะเอาโสดาให้ได้ก่อนถ้าโสดาบัตรเนี่ยไม่ยากเกินไปคารวะก็ทําได้ถ้าสักกะทาคาคารวะก็ทําได้เยอะแยะไปถ้านาคาเนี่ยคารวะเริ่มยากแล้วเพระจะละกามชีวิตของคารวะหมกอยู่กับกามะละยากบางคนก็อยากละกามนะตกลงไว้กับเมียว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันก็ไปมีเมียน้อย โ อ, อยยางนี้ละเป็นคราวๆอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอ่ะไม่พน้นหะรอกเหลวไหลนะหรือละพยาบาทได้คนมาจอดรถขวางหน้าบ้านโกรธหนึ่งนะพยาบาทพยาบาทไม่ดีพยาบาทก็เผาใจของตัวเองกรามก็เผาใจของเราเองนะทั้งพอใจทั้งไม่พอใจก็เป็นตัวแผดเผาใจของเราดังนะ้วเราคอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยนะรู้ทันใจ สุดท้ายเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นแจ้งว่าตัวตนไม่มีดูกายดูใจต่อไปอีกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางต่อไปอีกสุงสุดท้ายก็เห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์ล้นลวนมันจะเห็นกายเป็นทุกข์ล้นล้วนก่อนนะเพราะมันดูง่ายตัวที่เห็นกายเป็นทุกข์ล้นวนเนี่ยมันจะไม่ยึดในในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งที่ประกอบเป็นกายเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ยึดถือเราก็ไม่ยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสด้ดวยนะถ้าเรายึดตาเพราะเราตาอาศัยไปดูรูปสวยๆอย่านงะค่อยเฝ้าเรียนรู้ไปนะกายนี้ทุกล้วนๆก็ละกามละปฏิขะไดนะ้ตรงที่บรรลุพระอนาคามีนะมาได้สองแบบนะในตำราไม่มี อันแรกเลยคือค้นคว้าลงไปในกายเห็นเลยกายนิหาสาระแก่นสารไม่ได้นะกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนมาทางกายพวกดูกายเนะี่จะดูกายลงมาจะเห็นว่ากายหาสาระไม่ได้เราปล่อยกายมันเอาไว้ทำไมของไม่มีสาระส่วนพวกดูจิตบรรลุอนาคขานะไม่ได้ไปดูที่ตัวกายดูที่ตัวจิตเห็นว่าถ้าจิตไปยึดกายจิตจะทุกข์จิตไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะทุกข์ จิตไปยึดรูปเสียงกยลิ่นรสปวดทพะจิตจะทุกข์มันฉลาดขึ้นมามันไม่ยึดหรอกเรื่องอะไรมันจะยึดให้ทุกข์เปล่าๆเพราะฉันดูดูกายก็บรรุ้งนาคาได้นะดูจิตก็บรรุ้งนาคาได้แต่มากันคนละแง่คนละมุมถ้ามาทางกายแล้วก็จะเห็นว่าอารมณ์คือตัวกายที่จิตไปรู้เข้าเนี่เป็นของไม่ดีเป็นตัวทุกข์ถ้าดูมาทางจิตก็จะเห็นว่าถ้าจิตไปยึดกายจิตจะทุกข์ จิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นพวกที่ดูจิตมาเวลาบรรลุอนคาคตก้เห็นมาอย่างนี้คนละแบบกันแต่ผลเป็นอันเดียวกันคือไม่ยึดกายนะแล้วภาวนาถัดจากนั้นจะเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี้แหละตรงนี้พูดยากฟังยากนะดีว่าหลวงพ่อเคยฟังโลวุูดุลเ้าเรามาเล่าต่อได้ คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าต้องปล่อยวางจิตอีกทีเนะี่ยจะไม่มีทางปล่อยวางจิตเลยจะรักจะห่วงแหนจิตที่สุดแล้วได้ยินอย่างหลวงพ่อพูดเรื่องการปล่อยวางจิตเนะี่ยเขาจะว่าหลวงพ่อภาวนาไม่เป็นเลยความจริงเป็นคําสอนขั้นสุดยอดเลยนะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวเนี้ยคนที่เคยได้ยินได้ฟังมีน้อยนะแต่ก่อนนี่แทบไม่มีเลยเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยถ้า ส่วนใหญ่ท่านจะให้ทําเอาเองนะถ้าบุญมีวาสนาพออะไรมันหลุดผู้บกไปไปแจ้งตรงนี้นก็ปล่อยตัวนี้ไปส่วนมากไม่ค่อยบอกให้ทำเอาเองนี่หลวงปู่ดูลยท่านทันสมัยท่านบอกหลวงพ่อไว้ล่วงหน้านะอีกกี่พบกี่ชาติจะทําได้ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าท่านบอกเอาไว้ก่อนหลวงพ่อก็เลยมาบอกต่อนะคําสอนอันนี้เป็นคําสอนที่ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปนะ งั้นเรามาฝึกนะฝึกไปจนวันหนึ่งมันแจ้งจิตนี่แหละไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี่เป็นก่อนนะกายไม่ใช่ของดีของวิเศษจะเห็นก่อนพอเห็นว่าจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะเป็นอนัตตาจิตจะปล่อยวางจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าพวกศรัทธาแรงนะพวกศรัทธาแรงนี่จะเป็นพวกมาตรฐานสูง สังเกตไหมคนไหนศรัทธามากก็เสื่อมศรัทธาง่ายรู้สึกไหมเพราะมีมาตรฐานสูงถ้าผิดมาตรฐานนะ่าไม่เอาละอย่างภาวนามาเรื่อยนะเห็นนะจิตนะ่ะเป็นของดีของวิเศษนะเด่นดวงดีงามตลอดเลยเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้อย่างแท้จริงวันหนึ่งเห็นจิตมันหมองๆไปได้นะโอ้ไม่ใช่ของดีเลยโยนทิ้งเลยไม่เอาแล้วของไม่ดีจริงนี่พวกมาตรฐานสูงนะพวกศรัทธามากมันพวกนี้แค่เห็นอนิจจังก็ปล่อยละ ถ้าพวกทรงฌานทำสมาธิมากจิตทรงสมาธิมากนะเห็นของแค่นี้ไม่ปล่อยเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยไม่มองมันเด่นมันสว่างสวัยมีแต่วความสุขอยู่นั้นนะแล้วจิตมันต้องพระธรรมจะช่วยเหลือพระธรรมก็จะแสดงความทุกข์ให้ดูจิตมันไหวตัวแว บ, บเดียวเท่านั้นจากตัวบรลมะสุขนะกลายเป็นตัวทุกข์โคตรโคตรศาสนาสมัยใหม่ทุกข์โคตรโคตรเนี่ยไปจํามาจากเด็กนะ ไปเข้าปั๊มน้ำมันได้ยินเด็กมันพูดกันภาษาอย่างนี้ก็เพื่อจะสดใหม่บ้างพอเห็นมันจิตมันเป็นทุกข์เนีมันถึงยอมวางเพราะคนที่ทรงสมาธินี่จิตมีแต่ความสุขนะเพราะงั้นที่พวกที่สมาธิแรงนะพวกนี้จะเห็นทุกข์แล้ว่วังล้าพวกศรัทธาแรงนเห็นอนิจจังก็หวังแหละล้วพวกปัญญาแรงกล้านะดูไปนะเห็นมันบังคับไม่ได้หยนริงเลย พวกปัญญากล้า้เห็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่สุดท้ายก็คือปล่อยจิตแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบปล่อยอยู่ๆปล่อยวางจิตตอนนี้มันก็เหมือนเราตกน้ําอยู่กลางทะเลนะเรารู้ว่าจะขึ้นบกได้ต้องปล่อยเรือเราก็ปล่อยเรือเลยนะลงน้ําทะเลไปตายคาที่เลยนะงั้นอย่าเพิ่งปล่อยวางจิตอย่ารีบร้อนเคยมีพระไปเรียนกับหลวงพ่อนะเออมาเลยนะเออถามว่าเป็นไรอ่ะ ผมไม่ยึดถือจิตแล้วไม่ยึดบอรีบรู้สึกตัวไว้สติแตกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเลยไม่ค่อยสอนท่านให้ทํเาเมาทําเมาแล้วต่างตายแล้วค่อยไปเห็นเองแต่เราเรียนแล้วเรารู้ว่าจุดไหนที่ต้องระวังระวังหลวงพ่อเทศธรรมะเผื่อการปฏิบัติในวันข้างหน้าเหมือนที่หลวงปู่สอนหลวงพ่อสอนเผื่อวั น, นข้างหน้าก็าท่านรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่ตลอดหลวงพ่อก็สอนเผื่อพวกเรา วนข้าน้าาหบอกไว้ก่อนนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือหนึ่งอย่าคิดนำํำพอได้ยินธรรมะที่บอกไว้ก่อนอย่าคิดนํานะภาวนาไปตามลําดับอย่าใจร้อนนะแล้วก็อย่ารีบละเสะีอย่ารีบละโน่นอย่ารีบละนี่ให้จิตมันละของมันเองนะเอาเท่านี้ก่อนนะกลับในมาส่วนการหลวงพ่อค่ะ เ, เมื่อเร็วๆนี้ค่ะพอดีวันนั้นนั่งทาเล็บอยู่อะค่ะแล้วก็มือก็วางในลักษณะอย่างนี้ค่ะสักพักใหญ่ๆค่ะอยู่ๆ ม, มันเห็นมือเ ป, เป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะอืมนั่นแหละมันเห็นมือเป็นรูปถ้าจะใส่ชื่อนะแต่ตอนนั้นมันไม่มีชื่อมันเห็นเป็นซ o m e t h เอ่ออยากจะไม่ไม่ไม่ทราบว่าอุปทานไปเองหรือว่าเรามันเห็นสิมันเห็นจริงๆทีนี้ อยากขอการบ้านในการเออย่าอยากเห็นอีกค่ะถ้าอยากเห็นนะจะไม่เห็นอีกแล้วว่าความอยากไม่ได้ทําให้เกิดสติปัญญาอะไรแค่รู้สึกตัวบ่อยๆนะภาวนาไปปกตินี่แหละต่อไปเห็นทั้งวันเลยภาวนาถึงจุดหนึ่งนะกระทั่งยังไม่ได้โสดานะเห็นร่างกายนี้กลวงว่างเปล่าเลยนะเป็นทั้งวันเลยแยกออกไปตหาหักสังเกตแหมกใจกับจิตเป็นโคนละานกาันเคยรู้จักบ้างยัง มันยังไม่เห็นขนาดนั้นนะคะตรงที่มันแยกเป็นตัวอะไรอย่างหนึ่งเนี้ยตอนนั้นแหละกายมันก็อันหนึ่งจิตมันก็อันหนึ่งนะปกติจิตเนี่ยถ้ามันตั้งมั่นเด่นดวงมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะขันมันจะแยกตัวไปะจูต่หากจิตอยู่ต่างหากแต่ถ้าจิตมันไหลเข้าไปรวมกับขันเช่นดูท้องจิตไหลไปรวมกับท้องมันจะเป็นเราขึ้นมาถ้าขันแยกออกได้ก็ไม่มีเราถ้าขันไปรวมกันขึ้นมาก็มีเรา ทีนีอ้อีกปัญหาหนึ่งที่เจอเนะคะ่ค่ะคืออย่างเวลาที่ปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะพอหลับตาปั๊บเนี่ยจะรู้สึกคิ้วจะขมวดกันตลอดเวลาเลยะคะ่ะทีนี้ก็เลยเอาใจเนี่ยจิตเนี่ยไปดูไปรู้สภาวะตรงนั้น<อ>่ะแต่บางทีมันแรงจนเราสู้ไม่ไหวอะเราก็ลืมตาก่อนสิอย่าเพิ่งหลับตาค่ะลืมตาแล้วรู้สึกตัวไปคนที่ไม่ชำนาญ น, นะอย่างเวลาเราดูกายเราดูใจเนะี่ยเราตาไปดู ความจริงรู้สึกกายเนี่ยรู้ด้วยกายรู้ด้วยความรู้สึกนะรู้สึกของกายส่วนรู้สึกจิตใจเนี่ยรู้ด้วยใจเราไม่ได้เอาตาไปดูนะตาไว้ดูรูปแต่อย่างการรู้สึกในร่างกายเห็นร่างกายอ้าปากเห็นร่างกายหันซ้ายหันขวาเนี่ยใช้การรู้สึกทางกายนะไม่ได้เอาตาไปดูหรอกนี่เราไม่ชำนาญพอเราเอาตาไปดูก็ปวดตา แล้วควรจะทำยังไงดีทำไม่ได้หรอกต้องทนเนาะหลวงพ่อก็เคยเป็นเวลาหัดดูจิตใหม่ๆนะ่าเอาตาไปดูปวดตามากเลยน ะ, ะทำไงว่าปวดอยู่งั้นเละค่อยๆดูไปจนมันชำนาญแล้วมันคลายออกถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะว่าห ล, หลังเรานั่งหลับตาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราเ อ, อ, อยู่กําลังกำลังคิดว่าอยากจะพิจารณาเรื่องของมรณสติอะคะ่ะ ทีนี้ถ้าเกิดหลับตาเนี่ยแล้วบางทีเราพิจารณามรณสติเนี่ยจะช่วยให้เราคลายจากตรงนี้ไหมคะคลายคลายสิเพราะเราไปคิดเราไม่ได้ไปเพ่งกายเนาะเพราะเหตุของมันดับเหตุที่มันตึงขึ้นมาเพราะเราไปเพ่งกายเนี่ยถ้าเราไปคิดเรื่องมรณะนสติหรืออย่าว่าแต่คิดมรณะนัสติคิดเรื่องอื่นมันก็หายเพ่ง ค, คิดเรื่องว่าวันนี้จะไปดูหนังอะไรดีก็าหายเพ่งแล้ว แล้วการพิจารณามรณสติเนี่ยจะช่วยใหอ้อย่างกับหนูเองเนี่ยจะลดในเรื่องของอัตราโลภะอะไรได้ไหมคะมันจะช่วยข่มได้แต่ไม่ล้างมันจะข่มได้ชั่วคราว <ฮะ S 2> ดีถ้าเซลล์จัดนะพิจารณาความตายไปดีและ่ะกับขอบคุณฉลาดนะรู้ว่าเซลล์จัดดีเราต้องรู้ตัวเองนะว่าเรามีกิเลสอะไรจะได้สู้ถูกตัว น้ำมัสการครับเป็นลูกศิษย์ทางซีดีมาประมาณ2ปีเสร็ จ, รจแล้วเพิ่งมีโอกาสมากราบนามัสการตอนนี้ครับเลยเดี๋ยวการส่งกันบ้านครับอตอนนี้รู้สึกว่ารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นในระหว่างวันครับแล้วก็พยายามจ ะ, ะพิจารณาว่าตอนรู้เนื้อรู้ตัวแล้วกายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงครับพอจะอยู่ในร่องในรอยไหมครับอยู่ เห็นไหมขันมันแยกกันได้ดูออกไหมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าที่เห็นกายที่พูดอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าครับผมร่างกายที่พยักหน้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือแยกอครับถ้าแยกได้แล้วไม่ต้องกลัวนะดูไปเรื่อยร่างกายก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรา กุศลนกศก็ไม่ใช่เรารดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันพอมันก็ตัดเองภาอนาทำถูกแล้วแหละเนี่ยคนฟังซีดีก็ดีนะเขาถึงชื่อซีดีไม่ใช่ชื่อซีเร็วนะมัสการครับอาจารย์ช่วงนี้โยมอยู่ๆโยมก็เห็นว่าร่างกายของโยมเนี่ยมัน มันมันเป็นชินช้นชินช้นชิ้นชิ้นซึ่งเหมือนโดนตัดขาดนะคะแล้วก็อสองสองวันนี้ไอามากไ อ, อจนเหมือนไม่ได้นอนก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยร่างกายนี้มันมันไม่ใช่ของเราเใช่มคะมันแยกออกจากกันโดยที่ว่าโยมเองไม่เอาไม่เอาความไม่สบายหรือไม่เอาร่างกายแต่รู้แต่ว่าจิตกับกายมันหันหลังให้กันเดอนะนี่ถ้าอยากจะรักษาร่างกายแล้วก็พามันไปหาหมอ <C HA> ให้หมอรักษาเรารักษาจิตของเราไว้อย่างนี้แหละค่ะถึงตายก็ไม่มีอะไรน่ากลัว <C HA> เพราะอะไรตายร่างกายมันตายนะค่ะเห็นอยู่ค่ะมันก็แค่นั้นเอง <C HA> เห็นร่างกายมันตายอยู่ตลอดเวลา้อาจารย์เรารู้สึกว่ามันสังเวชมากๆน้ำมันน้ํนตาตามันค่อยจะแบบจะไห ล, ลยยตลอดเวลาโอ้มันมีแค่นี้เองเหรือเปล่าก็มีแค่นี้แหละนะอย่าไปรักมันดูมันไปด้วยดูมันไปเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมคะ ดมไปใจเข้าไปยึดกับมันก็รู้ใจถอยออกมาก็รู้ะพอใจวางกายแล้วบางทีกายหายไปนะภาวนาบางทีร่างกายหายไปเฉยๆหายถาหายนาถ้าหาร่างกายหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะก็ดูจิตต่อถ้าร่างกายหายแล้วก็มาดูจิตต่อดีสมาธิดีคนสมาธิดีบางทีร่างกายหายไปร่างกายหายแล้วรู้สึกว่าวันไหนที่เราอยากต้องการสบายนะท่านอาจารย์วันนี้จะวันนี้จะอยากอยู่สบายก็ รู้สึกจิตก็สบายๆว่างๆอาจารย์แล้วไอ้ตรงนั้นเนจายถามว่ามีประโยชน์อะไรกับเป็น <ยม S 2> ที่พักผ่อนเป็นที่พักผ่อนนะเป็นที่พักผ่อนอถ้าเราตายโดยจิตทรงไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็ น, เ ป, นเป็นพระพรหมแล้วถ้ายัางมีร่างกายอยู่นะก็ะเป็นพรมมีร่างกายเอาไว้พระสีอริยเมตไตรสัตว์เราค่อยมาฟังเทศไม่ดีใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ดีก็ดีเหมือนกันแต่ดีในอนาคต แล้วณนะตอนนี้โยมควรจะทําทอะไรท่านอาาถูกแล้วล่ะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเนี่ยไปประคองจิตให้นิ่งก็แล้วกัน <S <S รู้สึกตัวอยู่ตลอดใช่ไหมคะรู้สึกตัวสบายๆไม่ประคองจิตเอาไว้ <S 2> <S 2> ขณะนี้ประคองจิตอยู่ไหมนิดๆ่ะนิดๆก็คือเกิดนิดๆนิดๆใช่ไหมคะแต่เงน้นสบายๆเลยนะคะสบายๆแล้วเพลินในสบายเกิดอีกนานเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โยมสบายไหมคะสบาย เดี๋ยวกระคองนิ่งก็แน่นหน่อยๆแล้วสุดสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าโยมจะจะจะเล่งดูแอปดูจิตเล่นไม่ได้เใช่ไหมเล่นไม่ได้นะเราไม่โลภหรอกเราดูมไปด้วยดูทํางานไปเรื่อยดูจนกว่ามันจะไม่เอาเขพอเขาพอแล้วเขวางอเราอย่าวางแทนเ้านะคถ้าวางแทนเขาจะเหมือนที่หลวงพ่อบอกยังขึ้นไม่ถึงฝั่งเลยทิ้งเรือซะแล้วไปทําต่อไปทําได้ดีอยู่ แต่อย่าไปประคองจิตก็แล้วกันค<ะ>่ะต่อไปนวัตการค่ะหลวงพ่อคือหนูอ า, า, อา ศ, ศัยอยู่ที่เยอรม น, นีอะค่ะมาสี่ปีแล้วคือช่วงสองสาปีแรกในหนูก็ภาวนาทุกวันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยภาวนาทำให้จิตใจมีความสุขแล้วก็ช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแต่ระยะหลังๆเนี่ยค่ะช่วงประมาณหเดือนก่อนกลับมาเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าถึงภาวนาทุกวันแต่ ใจมันก็แห้งอะค่ะหลวงพ่อโอไม่ได้ทําสมถะมั้งฮะได้ทําสมาธิมั้งไหมก็หนูว่าหนูก็หนูก็เดินจงกรมเป็นหลักอะค่ะหนูไม่ได้สนใจมากจิตเดินจงกรมแล้วมจิตไม่สงบไงเดินมาเดินปัญญาเรื่อยไปหนูจะคิดเยอะมากเลยค่ะคือจะเห็นว่าคิดเวลาปฏิบัติแล้วเดินปัญญารวดไปเลยน่ะใจมันจะแห้งออถ้าอย่างนั้นหมาว่าต้องนั่งต้องฝึกสมถะเพิ่มขึ้นหรือเรากหาอะไรให้จิตได้พักผ่อนบ้าง ถ้าทําสมาธิลึกซึ้งอย่างคนอื่นไม่ได้นะอาจจะหาหนังสือธรรมะอย่างสมัยก่อนหลวงพ่อจะอ่านประวัติพระสาวกประวัติพระเจ้าใช่ค่ะหนูก็อ่านบางครั้งเพื่อให้มันแต่มันจะชุ่มชื่นแค่ช่วงที่อ่านจบคือเหมือนกาลังอ่านตอนอ่านเอมก็ยังดีอ่ะค่ะเออก็ยังดีกว่าไม่มีเลยโอ้แต่แต่เมื่อก่อนมันจะมีเรื่อยๆทำไมล่ะเราได้แค่นั้นเวลาที่เราพอนานะเดินปัญญาเป็นหลักไว้รวดไปเลยนะ้มันจะแห้งแล้ง เรื่องภานาแบบไปในสายของสุขวิปัสสกะแต่อย่างนี้หมายความว่าจะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดใจแห้งเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยได้บุญคือหนูหมนหนูเนี่ยหนูจะแผ่เมตตาไม่ออกหนูรู้สึกว่าใจหนูยังไม่มีความสุขหนูจะแผ่ให้คนอื่นได้ยังไงหนูเลยจะมาทบทวนว่าศีลหนูครบไหมก็เลื่องๆมาอยู่ที่นู้นก็ไม่มีอะไรให้เลื่มเมื่ศีลอยู่แล้วแต่พอเริ่มทาทานหนูจะทำไม่ค่อยได้ขาดสมาธินะใจมันเลยแห้งเวลาเราเจริญสติสติปัญญานะเหมือนไฟนะมันแผดเผากิเลส นิคิเลตมันอยู่กับจิตนะจิตก็เลยแห้งไปด้วยงั้นเราต้องมีน้ํามาเติมนะ<า>สมาธิมาใส่ค่ะก็คืออย่างนี้คือส่วนมน ไ, มได้ไหมได้แต่ส่วนมนต์หนูก็คิดอยู่ดีอะค่ะหลวงพ่อหนูก็จะเห็นว่าหนูคิดตลอดเลยนั่นแหละมันจเจริญปัญญารวดเลยอ <c oughs> กระท่งสวนมนต์้นะจิตหนีไปคิดรู้ทัน <c oughs> นี่มันจะเดินปัญญามันไม่ยอมทําความสงบเ <c oughs> งั้นใจแห้งแลง้งบางคนมันทําไม่ได้ไมันได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็ต้องทนเอา ได้คะ่ะหลวงพ่อและอีกเรื่องนึงค่ะคือว่าพอหนูกลับมาได้หนูก็จะเห็นว่าหนูโทสะแรง ม, มากเลยค่ะคือหนูจะพยายามหุบ ป, ปากให้สนิทจะไม่พูดอะไรไม่ดีออกไปแต่ว่าจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันแบบอยากจะกรี๊ดเรืยกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดูปไปหนูก็เห็นว่ามันก็ยังอยู่เรื่อยๆทั้งที่หนูรู้สึกว่าหนูกำลังโกรธมากอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นหายไปค่ะหลวงพ่อจริงๆ<ร>แล้วไม่ได้ฝึกให้หายไง<า> <ๆ S 2> นะฝึกให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ หันดูหันด้ได้แต่ว่าเราถือศีลไว้ก่อนยังไม่ด่าใครไม่ตบใครอย่างเงี้ยในใจกริดกริดเห็นอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่รู้สึกว่าหนูไม่ควรจะกริดกอย่างนั้นอีกแล้วแค่นั้นเองค่ะไม่มีความน่าจะเป็นกรรมฐานไม่มีความน่าจะเป็นมีแต่ว่ามันเป็นยังไงมันกริดอยู่รู้ว่ามันกริดอยู่ถ้าอย่างนั้นก็คือฝึกสมาธิเพิ่มนะคะเดี๋ยวกลับไปคือถ้าทําความสงบได้ใจจะชื่นชุ่มชื่นถ้าไม่ได้ทําเลยมันจะแห้งแล้งแบบนี้แหละ ค่ะแต่ใจแห้งแล้งก็สามารถแผ่เมตตาได้ใช่ไหมคะหรือว่าแผ่เมตตาอันแรกเลยแผ่ให้ตัวเองก่อนสัตว์ผู้นี้น่าสงสารหนอกําลังกรีดกอยู่อะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้ น, นนะค่ะไม่งั้นบทแผ่เมตตาไปสังเกตให้เดยเริ่มจะแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะไม่งั้นเลยโมโหโตัวเองค่ะกาบมัมสการครับอยู่ไหนเนาอยู่ทางนี้ครับ เมื่อต้นเดือนกันยาเนี่ยผมเห็นเริ่มเริ่มเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเดินเนี่ยผมจะเห็นเกิดดับเกิดดับตลอด อ, อบางทีเนี่ยผมเห็นที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่คนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกบาอะไรเลมไม่ต้องเรียกละนะครับแล้วช่วงนี้จะเวลานอนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เยอะอืม นะครับแล้วก็บางครั้งผมจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมีน้ำหนักมันเป็นภาระที่ทบผมต้องแบกมันมแล้วในขณะช่วงปัจจุบันเนี่ ย, ห ล, ยหลายวันมาแล้วเนี่ยผมจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันทุกเยอะเลยครับมไม่ทราบว่าผมเห็นถูกหรือเห็นผิดเห็นถูกนะเห็นถูกแต่ว่าโทสะมันแทรกรใจไม่ได้เป็นกลางกับมัน โทสะมันแทรกก็รู้ทันเอาแล้วเราเฝ้ารู้สภาวะไปเรื่อยนะจะเห็นอย่างนั้นแหละโลกนี้ไม่มีคนมีสัตว์อะไรหรอกเนาะอย่างนั่งอยู่นี่คนเยอะๆบางทีมันนั่งในที่เปล่านั่งในทุ่งหญ้านะไม่มีคนมีสัตว์อะไรแต่ว่ามันยังไม่พอครับใจเรายังไม่ได้กลางจริงนะใจเรามันเจือโทสะเข้าไปด้วยให้รู้ทันเอา ก็คือภาวนาต่อไปภาวนาต่อไปนะจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันว่ามีโทสะครับปัญญากล้ามันเห็นอ น, นัตตาเนี่ยมนเห็นทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดเนี่ยเป็นปัญญากล้าพวกปัญญากล้าเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมักจะโทสะกล้าด้วยคมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยไม่ยากหรอกขอบพระคุณครับไปรู้ทันนะจิตมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบหรอ มันไม่แช่มชื้นอ่ะต่อไปกราบนำมัส ก, การหลวงพ่อนะคะคือปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูพยายามหนูจะพยายามรู้กายรู้ใจนะคะถ้าเกิดนึกได้ก็จะพยายา ม, มแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างกรณีทาโยคะคะ่ะถ้าหนูหลับตาะคะ่ะบังชีเนี่ยจะมีดวงดวงสีเขียวๆอะคะ่ะก็เลยอยากจะขอเรียนถามถึงการพัฒนาต่อไปในการปฏิบัติอะคะ่ะ ถ้าเราเห็นแสงไฟนะไปหลับตาบางทีก็สีเขียวนะบาทีก็สีแดงถ้าจเจ้ากระสินนะดูสีเขียวนะั้นะดูได้ใจสบายมันจะกลายเป็นแสงสว่างเฉยๆขาวขึ้นมาไม่เขียวยแต่ถ้าไม่เอานะก็รู้อย่างหนึ่งถ้าว่าจิตเราพลิกไปทําสมถะแล้วตอนที่เราทําโยคะนั่นเราเพ่งอยู่ถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจนะเกิดแสงขึ้นมา หนูขออนุญาตถามอีกข้อนึงนะคะคือลูกของหนูอะคะ่ะอายุสี่ขวบอะคะ่ะเ อ, อเขาเขาจะท่องคาาชินบัญชรแบบยอ่อเสร็จแล้วเขาก็จะนั่งสมาธิแล้วเขาก็ปรับตาแล้วเขาก็พูดว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธแล้วเขาก็บอกเขาชอบจะขอเรียนถามว่าอย่างเนี้ยหนูจะพัฒนาเขาต่อไปได้ไหมคะให้เขาพุโทโธไปด้วยนะรีบฝึกซะก่อนจะเป็นวัยรุ่นพวกที่เด็กมีของเก่าเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นมันจะลืมนขอบพระคุณค่ะ นมาสการครับหลวงพ่อครับคือปัญหาที่ผมปฏิบัติมามันมันนานมาแล้วครับแต่ว่าผมหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ครับคือผมจะทําสมาธิมาก่อนนะครับแล้วมีมีวันหนึ่งคือทําไปแล้วเกิดความสงบแล้วพอดีผมน้อมไปที่ลมหายใจครับหลวงพ่อแล้วมันก็กลายเป็นแสงแล้วผมก็กลัวเอ้ยไปกลัวทําไมกลัวตายอ่ะเออนะองั้นก็ถอนสิจิตก็ แล้วก็พอจิตมันถอดออกมาแล้วผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือว่าเป็นเป็นเรื่องจริงหรื อ, อยังไงครับมันจะมีมีผู้หญิงสองคนนะครับมาคล้ายๆมาแบบเล้าล้มผมอย่างเงี้ยครับแล้วคล้ายๆมันจะเอาวิญญาณผมไปนะครับหลวงพ่อมันเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปนได้เหมือนกันแล้วจะไปไหมไ ม, ไม่ไม่ไปครับเออตั้งสองคนนะแล้วและอีกอีก ต่อมาก็คือเวลาผมทําสมาธิเนี่ยผมจะใช้คําบริกรรมครับ <S <S ทีนี้บริท่องไปแล้วผมก็จะจะนึกตัวอักษรไปด้วยครับแล้ว <S <S สักพักมันก็ตัวอักษรมันจะกลายเป็นแสงครับหลวงพอ่อแล้วมันเหมือนเส้นด้ายยาวๆครับแล้วสักพักมันก็จะขาดเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแล้วต่อไปมันก็จะเหมือนลูกคลื่นนะครับหลวงพ่อมันจะขาดเป็นลูกคลื่นลูกคลื่นไปเธเห็นสภาวะใดๆก็ตามนะ นิมิตใดใเกิดขึ้นแสงสีเสียงอะไรก็ตามเนะี่ยย้อนกลับมาที่จิตอย่างเห็นผู้หญิงสองคนมาชวนไปอยู่ด้วยอะไรเนะี่ยไม่ดูที่เขาย้อนมาดูใจของเราใจเรากลัวรู้ว่ากลัวใจดีใจใจเสียใจกลับมาดูที่ใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะอย่าถลําลงไปดูที่แสงที่อะไรแล้วมันมันจะมีมันจะมีมะมไอไอดวงไฟดวงสุดท้ายครับหลวงพอ่อคือผมสงสัยว่าทำไมมันตัดกันนะครับ มันอะไรนะมันตัดกันนะครับช่างมันไปนอะไรนิมิตเนี่ยอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรนะให้ยอดกลับเข้ามาที่ใจเรานะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปรุงอะไรต่อไปด้วยๆมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นด้วยอำนาจของสมารที่นะแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยผมจะคือผมจะอยู่กับการเต้นของหัวใจครับหลวผมไม่เข้าใจว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเป็น ธาตุลมหรือว่าหัวใจมันเต้นก็เพิ่มยังไงครับหัวใจเป็นไหว<ๆ>ก็เพราะธาตุลมมันไหวนะแต่เราไม่ต้องดูมากขนาดนั้นนะแค่ดูร่างกายทั้งร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแยกแยะหรอกของคุณเวลาที่จิตไปรู้สภาวะต่างๆเนี่ยมันจะถล่มลงไปรู้อย่างเวลาไปดูหัวใจนะจิตก็เคลื่อนไปที่หัวใจด้วยไปดูแสงสว่างจิตก็เคลื่อนไปที่แสงสว่างด้วยจิตมันไม่ตั้งมั่น เพราะฉะั้นเราไม่ให้จิตไหลไปเราคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวด้ไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรที่เป็นกายหรือเป็นนมามธรรมเป็นสิ่งที่จิตปรุงต่างๆก็ตามนะไม่ว่าจะรู้อะไรย้อนกลับมารู้ทันจิตตนเองเสมอๆนะอย่างนี้นี่คือตอนนี้ผมผมเองผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่ด้วยวิหารธรรมคือลมหายใจหรือว่าการเต้นของหัวใจครับหลวงพ่อต้องทำให้ผ่อนคลายหน่อยนะ ทำสบายบายทำไปอย่างมีความสุขถ้าจะรู้ร่างกายรู้หัวใจเต้นก็รู้ไปสบายๆอย่าให้ใจเคร่งเครียดแล้วอย่าไปจ้องแบบไม่ให้คลาดสายตาเอาแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกการที่เราจ้องมากๆนั่นแหละจึงได้เกิดแสงสีเสียงต่างๆนานาขึ้นมาได้รั้นอย่างมีครูบาอาจารพาพย์องค์นะหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเคยบอกหลวงพ่อเลยว่ามีหารทําของท่านคือรู้หัวใจเต้น ท่านเห็นหัวใจของท่านเนี่ยเต้นตุ๊บตุ๊ตุ๊ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่จิตท่านไม่ถลำเข้าไปที่หัวใจนะจิตท่านเป็นแค่คนดูอยู่ของคุณลองฝึกนะเวลาที่จิตไปรู้อะไรอย่าให้มันถลำลงไปรู้ถ้าถลำไปมีลารเป็นเพ่งอย่างนี้คือคือต้องทําสมาธิเพิ่มใช่ไหมครับทําให้ถูกก็แล้วกันอย่าให้ใจถลำไปนะคือหลวงพ่อครับหัวใจเต้นกติดก็เพิ่มนี่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกัน หัวใจเต้นก็ส่วนหัวใจเต้นนะจิตกระเพื่อมก็ส่วนจิตกระเพื่อมหัวใจมันอยู่หน้าอกข้างซ้ายใช่ไหมเวลาจิตมันไหวขึ้นมามันไหวขึ้นกลางหน้าอกนะคนละที่กันด้วยซ้ําไปครัหลวงพ่อครับผมขอถามอีกคาถามนึงครับคืออาสวะกับอนุสัยนี่เหมือนกันไหมครับโอ้อย่าเรียนอย่างนั้นเลยนะเราจะคิดนําไปครับพยายามรู้สึกตัวโลกปัจจุบันด้วยเห็นร่างกายเม้มปาก เห็นใจหนีไปคิดใจมันคิดเก่งดวกไหมครับนะให้รู้ทันจิตหนีไปคิดนั่นคือจิตมันฟุ้งซ่านารู้ว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะหัดรู้หัดดูนะครั บ, รบพวกนั้นเป็นกิเลสชั้นละเอียดนั่นแหละครับครับขอบคุณครับ ช, ช่วงหลังมานี้ชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนไปเจ้าค่ะ mm hmm. สติเกิดได้เองแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเจ้าค่ะติเกิดได้เองบ้างแต่ว่า ไม่ไม่บ่อยเท่าที่ใจต้องการต้องซ้อมสินะซ้อมมีวิหารธรรมวิหารธรรมไม่มีเจ้าค่ะนั่นแหละหาเอาอหาเอาวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งนะเราเป็นคนรักสวยรักงามไหมรักสวยรักงามเราดูกา ย, กายเราด้วยเอากายปเป็นวิหารธรรมดูกายเคลื่อนไหวเถอะค่ะเอีดูการเคลื่อนไหวก็ได้นะเห็นร่างกายพยักหน้าเนี่ยดูมันเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะถ้าจิตไม่มีวิหารธรรมเวลาหนีมันจะหนีนาน หาบ้านให้มันอยู่ถ้าเราเป็นคนรักสวยรักงามเราก็ดูกายไปเรากายเป็นบ้านเป็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นเจะค่ะจะเห็นง่ายจะค่ะนะเพราะเราชอบดูกายของเราอยู่แล้วอย่างคนไหนนะวันวั น, วนหนึ่งสองกระจกนานๆนะแสดงว่าชอบดูกายนะพยายามรู้สึกเลยร่างกายกระดูกกระดิกระยามรู้สึกไปเรื่อยๆนามาจารย์ค่ะ ปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติในชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็ความความทุกข์สั้นลงแปบ๊แปบหนึ่งนะ <c oughs> เวลาที่เราดูกายนะเราดูสบายๆดูเหมือนคนอื่นดูดูเหมือนดูคนอื่นด้วยดูเหมือนคนอื่นมาดูนะ <c oughs> เราอย่าให้จิตเราถลําลงไปในกาย <c oughs> เวลาเราดูสภาวะทั้งหลายเนี่ยจิตอยู่ต่างหากอย่าให้จิตถลําลงไปดู ถ้าจิตถลำลงไปเดไปดูร่างกายอย่างนี้ร่างกายพยักหน้านะจิตเราเคลื่อนไปอยู่ตรงร่างกายเนี่ยเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นให้เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วนะอ้างว่าไปอเรู้สึกว่ามีความทุกข์สั้นลงค่ะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเริ่มเห็นกายแยกออกมาเหมือนเห็นคนอื่นทางานค่ะเป็นแวบๆมาต่อไปต่อไปมันจะเห็นแต่ทุกข์นะตอนนี้เรา ภาวนามาถึงตรงนี้เรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเราจะเห็นทุกข์มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราเริ่มงงเอ๊ภาวนาแล้วสุขมากขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นมันกลายเป็นว่ายิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขแต่จะมีปัญหาเวลาที่ต้องไปพบกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะจะมีความทุกข์มีความทุกข์พระจิตมันติดความสุขซะแล้วล่ะถ้ามันไม่ติดความสุขนะมันไม่เสียดายความสุขเวล า, าไปเจอคนอื่นนะมันไม่อะไรอาวบ์ ความสุขที่เกิดขึ้นไปเจอใครก็ได้ไม่เป็นไร mm hmm. แต่ถ้าเราไม่อยากยุ่งกับโลกเลยอยากอยู่ของเราคนเดียวเงียบๆวันทั้งวันอยากปิดประตูตตอยู่คนเดียวอันนี้ติดความสงบแล้วละให้เรารู้ทันจิตเวลาติดความสงบเนี่ยนะมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันพอใจในความสุขให้รู้ทันว่าพอใจของคุณไปรู้ทันความพอใจในความสุขนะ ตัวนี้ดับไปเนี่ยเจอใครก็ได้ถ้าจำเป็นต้องเจ อ, อต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมคะไม่ได้ปรับปรุงหรอกแต่ว่ารู้ให้ประนีตขึ้นหน่อยไม่งั้นพอเราพอนาไปเรามีความสุขนะเราเลยติดความสุขเราพอใจในความสุขแล้วเรารู้ไม่ทันคราวนี้เราเกลียดโลกข้างนอกแล้วไม่อยากยุ่งกับใครเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ภาวะที่ปกติหรอกพระลหันไม่รักไม่เกลียดนะ งเราเนี่ยยิ่ง่าหนาหรืยิ่งเกลียดโลกไม่ใช่นะเพราะฉะเราให้คอยรู้ทันใจที่มันพอใจในความสุขพอใจมันพอใจในความสุขเนี่ยมันจะไม่อยากไปยุ่งกับใครเลยมีความจำเป็นต้องยุ่งก็ไม่อยากยุ่งเราะฉนั้นให้รู้ทันราคะที่แทรกเข้ามาเวลามีความสุขถ้าตัวนี้ผ่านต่อไปเนี่ยจะเจอทุกข์เยอะแยะเลย<อ>เห็นทุกข์ดีนะ<อ>ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม ฟังแล้วเสียดายไหมตายแล้วความสุขของฉันดูใจห่อเหยื่เนือหออ่อเหยืออะกับนมัสการหลวงพ่อค่ ะ, ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยเขาถึงติดเพ่งแล้วก็แก้ไม่ออกหรอคะเพ่งนะมันทำง่าย แล้อย่างถ้าไม่เคยฟังทำเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาอะไรเนี่ยโดยธรรมชาติมจะเพ่งเพราะเคยชินที่จะเพ่งทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาชาติที่จะเจริญปัญญาได้ต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องการทําทานรักษาศีลทําสมาธิมีอยู่แค่นั้นงั้นคนส่วนใหญ่ที่มาภาวนานะี่ยมันก็จะติดอยู่เรื่องสมาธินั่นแหละหลับตาต้องหลับตาด้วยนะ คิดถึงการปฏิบัติทีไรจะต้องปิดตานั่งสมาธิอย่างอื่นไม่มีนะละหนึ่งหรือไม่ก็ต้องเดินจงกรมมันเคยชินเป็นความเชื่อแล้วทําไมล่ะเกี่ยวอะไรกับเรา อ, ะอ่ะอ๋อสงสัยเฉยๆค่ะอ๋อแล้วก็ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้ารู้ว่าเพ่งให้รู้แล้วมันก็จะหลุดออกมาใช่ไหมคะอืมแล้วครั้นี้ทําไมเห็นหลายๆคนเขาหลุดออกมาแล้วก็วกกลับเข้าไปติดใหม่อยู่ดีอะเพราะว่ามันอริดอร่อ ย, ออยมันมีความสุขไปนั่งเพ่งไว้อ่ะ ติดอยู่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีมีความสุขออกมาเผชิญชีวิตในความเป็นจริงเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์คนไม่เข้มแข็งพอที่จ ะ, ะเผชิญความจริงเพราะฉะนั้นไ ม, ไม่แปลกอะไรหรอกที่หนีก็ไปหาความสุขของสมาธิกล้าพอก็ต้องออกมาเผชิญ <Okay. S 1> เวลามีความทุกข์ก็หนีเข้าสมาธินะมันก็เหมือนเต่านะมีภัยขึ้นมาก็เก็บหัวเก็บขาเก็บหางหมดเลย ภัยอันตรายก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็รออยู่โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่กัดหัวเลยอคําถามต่อไปค่ะพอดีมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเขาฝากเอาไว้ว่าถ้าเจอหลวงพ่อเนี่ยให้ช่วยถามให้ด้วยเขาฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วหลวงพ่อสอนเรื่องเกี่ยวกับเวลาคนเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ทําคือเราเราหยิบจิตของตัวเองขึ้นมาดูก่อนนะอืมเส็จ แ, แล้วก็วางลงไป ประมาณว่าจิตหยิบฉวยจิตอะค่ะ อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงมันยากนะที่จะวางแต่พอตื่นนอนเนี่ยตะครุบจิตขึ้นมาทุกรายแล้วไม่ค่อยวางหรอกคือนักปฏิบัติเวลาตื่นปั๊บนะคิดถึงการปฏิบัติปั๊บนะันจะไปรวบเอาจิตขึ้นมานี่พวกดูจิตนะถ้าถนัดตูด ก, กายมันไปเพ่งกายไว้ตื่นนอนขึ้นมาก็เพ่งกายไว้เลยเป็นความเคยชินหยิบง่าย แต่ไม่วางวางยากใครมีคนหยิบขึ้นมาคะจิตเราจิตนัต่นแหละแ้วจิตไม่ใช่เราใช่ไหมคะจิตไม่ใช่เรามันหยิบผมมันได้เองเออที่จิตไม่ใช่เราเนี่ยคะ่ะหลวงพ่ อ, อยังเวลาเราเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากจากตัวเราก่อนใช่ไหมมันมีคาว่าตัวเราขึ้นมาก่อนใช่มันมีเราเราอยากปฏิบัติเราอยากอ่านหนังสือเราอยากฟังธรรมใช่ มีเรามีอยากใช่แล้วพอเราปฏิบัติไปได้สักระยะนึงเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความจริงว่ามันไม่มีเราใช่ค่นะแต่ว่ายังอยากอยู่เพราะพอนาต่อไปอีกนะเธอจนหมดอยากหลวพ่อแล้วพอคาว่าตัวเรามันหายไปแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติไปด้วยเหตุผลอะไระ่ะเพราะว่าเรารู้ทันแนละ้วว่า การที่ปล่อยจิตปล่อยใจนะจมอยู่กับโลกจมอยู่กับทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยแต่เดิมเราอาจจะจมอยู่ในความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเราก็อยู่กับมันได้เพลินๆแต่พอภาวนาจนเห็นความจริงเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่จริงนะโลกนี้เป็นเต็มไปด้วยทุกข์โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาใจมันก็จะผลกไวยที่จะพ้นโลกออกไปจิตนั่นแหละแต่ว่า ในเมื่อความเป็นตัวเราไม่มีเนี่ยอืมอดีตปัจจุบันอนาคตก็ไม่ใช่คนคนเดียวกับแล้วไม่ใช่แล้วมันเหมือนพ่อเหมือนลูกกันจิตดวงนี้กับจิตดวงต่อไปอะไรเงี้ยเหมือนพ่อเหมือนลูกกันอย่างจิตเราปัจจุบันนะกับจิตในอนาคตชาติหน้าอะไรเงี้ยถ้าพ่อสะสมสมบัติไว้เยอะนะต่อไปลูกก็รวยถ้าพ่อสะสมนี่สินไว้ลูกก็ลําบากนั้นะจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปอย่างนั้น หนูอย่าคิดมากนะหนูภาวนาวที่หนูถามมาเนี่ยหนูคิดหนิวะฮึหลวงพ่อคะ จ, จินตามัญญะปัญญาเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดภาวนาปัญญะปัญญาได้ไหมคะทําได้นะถ้ารู้หลักเบื้องต้นมันก็อดคิดไม่ได้หรอกแต่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เบื้องตอน้นน่อาศัยคิดไปก่อนดีกว่าไม่มีเลย แต่ถ้ารู้รูปนามเกิดดับได้แล้วนะอย่าไปเสียเวลาคิดที่เขาคิดนะ่ก็เพื่อจะหัดมารู้รูปนามให้ได้นะเนี่ยแล้วก็หนูติดปัญหาเรื่องว่าจิตมันเหมือนกับมันไหลแรงอะค่ะอืมเวลาตั้งมันก็ตั้งดีเวลาไหลแล้วมันไหลจนปวดหัวไปเลยเออห้ามมันไม่ได้หรอกนั่นแหละมันสอนธรรมะให้นะาหมดคำถามแล้วคะ่ะ ถ้าคิดเอาเราก็ต้องคิดต่อสิจิตไม่ใช่เราแล้วอยากจะตกนรกอยากจะทุกข์เรื่องของเธอต้องปฏิบัติทำไม <c oughs> อย่าไปคิดเอานะพยายามรู้สึกเอารู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจจะเห็นแต่ทุกข์เห็นอย่งนี้ใจแกค่อยคลายออกอปฏิบัติมาได้สักเกือบปีแล้วครับฟังซีดีเอาแล้วก็ผมรู้สึกว่ามัน กรปฏิบัติมันมีมันมีขั้นมีตอนผมรู้สึกตัวรู้ฟังซีดีต่อไปก็รู้ว่าแทรกแซงแล้วก็รู้ว่าใจดิน้นพอใจดิ้นมันยิ่งทุกเข้าไปก็เลยต้องคลายออกอพอคลายออกมันก็รู้สึกดีขึ้นคือมันมีเมื่อสามสี่วันที่แล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าผมรู้สึกว่าผมเห็นผมรู้ไตรลักษณ์ชัดขึ้น ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตเคยเคยวิ่งหอบขึ้นไปวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ในรถนี้เต็มไปด้วยคนตัวเองรู้ว่าเป็นคนที่กลัวความแคบแล้วก็รู้สึกว่าตัวคือหายใจแรงมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอากาศหายใจเอ่อก็รีบออกมาครั้งต่อไปผมขึ้นขึ้นไปอีก ก็คือว่าใจก็กลัวว่ามันมันจะเกิดขึ้นอหรือเปล่าก็เลือกว่าให้รถขนาหนด้นนั้นก็ให้ไผ่านไปก่อนแต่ว่าเออพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนความกลัวเห็นสภาพเดิมถึงแม้ว่าคนจะน้อยลง mm. แอก็เย็ยนขึ้นรู้ว่ามันมีมันมีอากาศ mm. ตัวก็บังคับว่าต้องหายใจให้ออกซิเจนมากขึ้นมันก็จะได้ไม่ไม่ไม่หายใจแรง mm. ผมเห็นหัวใจ มันเต้นยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมอืในขณะเดียวกันมันก็มีจิตอีกตัวหนึ่งวิ่งมาทางทางขวาบอกว่ามันก็ยิ่งสร้างความกลัวขึ้นอีกมันก็มันก็ทนไม่ได้อีกอืเหตุการณ์เนี้ยผมฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อเมื่อสามสี่วันคือฟังเรื่อยๆนะครับมันทําให้ผมเห็นความชัดของใจรักมากขึ้นนะครว่านี่คือเหตุการณ์ที่นี่คือสิ่งที่เราบังคับไม่ได้มันมันมันค่อนข้างชไม่ทราบว่าแนวนี้ผมทํามา ถูกสินะก็เห็นว่เราบังคับมันไม่ได้มันจะกลัวแล้วความจริงมันกลัวไปตามความเคยชินจิตมันเคยชินะมันเคยว่าเข้าที่แคบมันกลัวนะบางทีมันกลัวข้ามพบข้ามชาติมาก่อนอย่างนั้นก็มีนะหรือกลัวในปัจจุบันก็มีถ้ากลัวแบบฝังลึกไม่มีเหตุมีผลแนละ้วบางทีกลัวมาก่อนๆ น, นั้นก็มีครับแต่ว่าเราไปไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขอะไรหรอกนะเราเรียนรู้โลกปัจจุบันเห็นไตรลักษณ์เห็นอะไรไปต่อไปก็หายกลัวเอง ซ, ซึ่งตอนนี้ดีขึ้นมามก ก, ก็รู้พอรู้ว่าเริ่มอาการเดิมเริ่มมา ก, ก็ให้ว่ารู้ว่ า, ว า, วากลัวแล้วก็มั น, มน ก, นกไไ็ไม่เกิดขึ้นดีที่ภาวนาใช้ได้อขอบคุณครับกลาบนมัสการหลวงพ่อค่ะ วันนี้หนูรู้สึกดีใจมากมีความปลื้มปิติมากที่ทั้งครอบครัวได้ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อได้ฟังซีดีครั้งนี้มากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะคะ mm hmm. แล้วก็แต่ว่าได้ได้ฟังซีดีกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่แล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมตั้งแต่ประมาณ3ามปีที่ผ่านมาที่ที่หลังจากป่วยนะคะก็แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังลุ่มลุ่มดอน ด, อนดอนแล้วก็ยัง เ, เคยไปปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นที่ไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองได้ได้รู้มีความรู้สึกรู้ตื่นแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนเบิกบานมีความพอใจ<ม>คือมีตอนนี้ไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้มีฉันทะและความเพียรเพียงพอ<ม>บวกกับบวกกับเข้าใจเหมือนกับว่าได้ได้เข้าใจหลักการของสติ<ม>ประฐานสี่ได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแต่พอนํามาประยุกต์ใช้เนี่ย เหมือนคนที่ที่ยังว่ายน้ําไม่เป็นแล้วไปเจอคลื่นในทะเละเจ้าค่ะก็ก็เลยอยากจะวันนี้อยากจะมากราบเรียนขอคําแนะนํำลงพ่อหลักของสติปัฏฐานนะเคล็ดลับมันมีนิดเดียวเราต้องมีใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเจริญกายานุปัสสนานะเห็นกายในกายมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราเจริญเวทนานุปัสสนาก็มีจิตเป็นคนดูจะเห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราะนะ จิตก็ไม่ใช่เราคนะทําจิตตาหนุปัา ส, สนาก็เห็นสังขารไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้ถ้าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งยังทําไม่ได้จริงอ่ะคือตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่าออคืออยากกลับเรียนขอคําแนะนําหลวงพ่อในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติที่ถูกกับจริตของตนเองอะคะ่ะช่งางคิดไหมล่ะเป็นคนช่างคิดไหมใช่ค่ะออช่างคิดเราก็ดูจิตดูใจไปนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็รู้ทันจิตไปก็ทําจิตตามนุกปัฏณาแต่ไม่ได้รู้จิตเพื่อจะเอาดีเอาสุขอะไรหรอกนะดูเพื่อให้เห็นว่าตู้อย่างมันชั่วกราวด้ฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆพักหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าโทสะก็แรงนะคะ hmm. พยายามดูโทสะเหมือนกันแต่ว่าอยากให้หายไหมใช่คือสู้เขาไม่ได้ค่ะสู้เขาไม่ได้แล้วเราทุกท่านก็จะต้องต้องรู้สึกว่าเรา รู้แล้วละแต่แต่รู้แล้วไม่เคยละได้เลยเหมือนตัตัว น, นี้ไม่ใช่เรื่องละพระเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกตัวโทสะเนี่ยอยู่ในสังขารขันจัดอยู่ในกองทุกงั้นเมื่อเกิดขึ้นให้รู้ทันมันความอยากละเกิดขึ้น่ะให้ละความอยากซะให้รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางรู้ทุกเราละความอยากซะไม่ใช่อยากละทุกค่ะแล้วอตอนการนั่งสมาธิการปฏิบัติ ในประจาวันนะเจ้าค่ะหนูยังทำได้ไม่ดีมีความรู้สึกว่าความล้าของร่างกายในในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมันเยอะทำให้พอถึงเวลามันเหมือนเป็นพอถึงเตียงก็รู้สึกว่าเหมือนเราล้าเราอยากจะนอนแล้วแล้วมันก็จะทุกข์ในใจว่าเราก็ปฏิบัติไม่ได้อีกแล้วอะไ ร, รอย่างเงี้ยครเาสีก็ทำตื่นนอนให้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาภาวนาก่อนหลวงพ่อก็ใช้วิธีนั้นแหละงวันกินข้าวแล้วก็ภาวนาเราทาอย่างนั้น รอไปทําตอนกลางคืนมันหมดแรงแล้วเหมือนนกปีกหักนะค่ะไปไม่ไหวค <c oughs> แล้วหลวงพ่อยังมีวิธีกันก่อนนอนหลวงพอกินน้ําเยอะๆง่วงหลวงพ่อนอนเลยนะค่ะ <c oughs> แต่หลวงพ่อตื่นไบเพราะปวดฉี่ <c oughs> ได้มาภาวนาค่ะเพราง่วงจัดๆอย่ายไปฝืนภาวนาเลยเสียเวลาค่ะ <c oughs> เสียได้เดี๋ยวคลอเครสเราค่ะ <c oughs> ตอนนี้ที่ที่ติดอยู่เนี่ยอย่างพยายามตอนนั่งสมาธานั่งทําสมาธิอะค่ะ ตอนนี้ที่ไปได้สูงสุดไปได้แค่แคบสงบแล้วก็เหมือนกับน้องสาวอะค่ะคือเห็นแสงแต่ว่าของหนูจะเป็นแสงสีม่วงอมีแสงมาแล้วก็เหมือนกับว่าติดอยู่ตรงนั้นว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะย้อนมาดูจิตไม่ว่านิมิตใดๆเกิดขึ้นย้อนมาดูจิตเป็นหลักเลยนะข้อนี้เพรางั้นเห็นแสงสีม่วงเห็นแล้วความรู้สึกเป็นยังไงพอใจรู้ว่าพอใจค่ะสงสัยรู้ว่าสงสัย แล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมดูที่จิตไม่ดูที่แสงในขณะเดียวกันวิหารและทำตอนนี้เนี่ยของหนูก็บางครั้งก็จะใช้พุโทโธแต่ก็เหมือนกับว่าจิตเขาก็ไม่ค่อยชอบม า, ากนาากักพยายามจะไปอาณาปานาสติหรือยุบหนอพองหนอ ก, ก็มันเหมือนสเปะเปล่าพุโทโธนั่นแหละฝึกพุโทโธไปชอบไม่ชอบก็เอาพุโทโธไปเ อ, ธเอาอะไรอย่างยิ่งยุ่งใหญ่ค่ะคนขี้โมโหอะต้องเอากรรมฐานน้อยๆค่ะ เราหลายอย่างยิ่งโมโหหนักกว่าเขาแล้วก็กลับเรียนคำถามสุดท้ายคือกรณีที่ครอบครัวที่พยายามจะปฏิบัติธรรมแต่ว่ายังมีภาระลูกที่ยังเล็กอยู่เนี่ยไม่ทราบว่าก็ดูเอาลูกมาทำกรรมฐานใช่ค่ะเวลาสอนใช่ไหมเวลาเราจะคุยธรรมะกับหลวงพ่อเด็กก็เล่นใช่ไใจเราเป็นยังไงเวลาเรียกให้มันกินข้าวมันก็ไปโอมข้าวใจเราเป็นยังไงอเงี้ยดูไป แล้วตัวเด็กๆอย่างนี้ค่ะพยายามเราควรจะพยายามฝึกเขายังไงคะเราจะฝึกเด็กเล็กเกินไปสขวบฝึกไม่ได้เจดขวบอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อต้องดูที่ตัวเขาพอใจจะฝึกหรือเปล่าตอนเล็กๆตอนที่ที่สําคัญไม่ใช่ไม่ใช่เราอยากให้เขาฝึกนะค่ะเปิดซีดีหลวงพ่อไปให้ได้ยินเขาฟังตลอดกต่ทั้งท่านเดี๋ยวข้อพานได้เองเลยเหมือนกับว่าตอนเล็กๆคือเขานั่งฟังเนี่ยในรถทั้งรถพ่อรถแม่เนี่ยจะเปิดซีดีหลวงพ่อตลอดก็เหมือนเข้ารู้เรื่องเขาอะไร แล้วก็ช่วงเล็กๆตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วก็พาเขาไปทําบุญเขาจะมีความกระตือรือร้นมากแต่หลังๆเนี้ยเริ่มโตก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเริ่มจะเหมือนจะปฏิเสธหรืออะไรเงี้ยครับพ่อยิ่งเขี้ยวเข็ยนยิ่งปฏิเสธค่ะให้เป็นธรรมชาติไปได้ค่ะหมดเรียังขอบพระคุณค่ะครับเอสุดท้ายนี้ก็จะขอ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 เอวามวาอิโตินนังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชธิรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัทวันตรายโยสุขีที่คายุโกภาอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปัจายโน ชะตารโรธรร ม, มาวัันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพะลังสาทุเขานาเขานะเขานะ